ถ้าระบบความสัมพันธ์ยังดีก็รักษาพระศาสนาและสังคมได้ได้พูดมาในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนซึ่งอยู่ในหลักการที่ว่าพระภิกษุสามเณรจะต้องให้ธรรมะแก่ญาติโยมเป็นธรรมทานจะให้โดยพูดก็ตามไม่ต้องพูดก็ตามจากหลักการนั้นก็ขยายออกเป็นข้อปฏิบัติ ดังที่ปรากฏว่าการให้ธรรมะแก่ญาติโยมนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงรายละเอียดชัดขึ้นอีกในหลักปฏิบัติที่สำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับญาติโยมอีกชุดหนึ่งซึ่งอยู่ในทิศหกหลักอมิสถานและธรรมทานมาอยู่ในทิศหกโดยจัดเข้าในทิศสุดท้ายคือทิศเบื้องบนเรียกว่าอุปปริมทิฏ ซึ่งว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ต่อกันระหว่างสมณพราหมณ์อันได้แก่พระภิกษุสมเณเณรกับญาติโยมที่เป็นฝ่ายกุลบุตรในหลักทิ์เบื้องบนแห่งทิศหกนี้หลักการแห่งอมิสทานและธรรมทานขยายออกไปเป็นข้อปฏิบัติย่อยๆที่จัดให้เหมาะแก่ความสัมพันธ์ในชีวิตประจาวันสาหรับฝ่ายญาติโยมนั้นท่านให้ปฏิบัติต่ตอพระสงฆ์โดยหนึ่ง จะทำอะไรก็ทำด้วยเมตตาสองจะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตาสามจะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตาสี่ไม่ปิดประตูบ้านเต็มใจต้อนรับห้าอุปธรรมบำรุงด้วยปัจจัยสีนี้เป็นของฝ่ายญาติโยมจะเห็นว่ามีเรื่องของอมิสทานเป็นข้อสำคัญ แต่เพิ่มข้ออื่นเข้ามาเป็นตัวประกอบในฝ่ายญาติโยมผู้อุปธรรมบำรุงให้เกิดบรรยากาศที่เชื่อมโยงระหว่างอมิสทานกับธรรมทานทีนี้หันมาดูทางฝ่ายของพระเนนให้สังเกตว่าฝ่ายพระเนนนี้มีหน้าที่ต่อญาติโยมหข้อในทิศหกนั้นแต่ละทิศ ท, ท่านแยกเป็นสองฝ่ายเช่นพ่อแม่กับลูกครูอาจารย์กับศิษย์ภริยากับสามี เพื่อนกับเพื่อนจนกระทั่งลูกจ้างกับนายจ้างทุกทิศทุกมัวตลอดมาแต่ต้นแต่ละทิตมีฝ่ายละห้าข้อเท่านั้นแต่พอมาถึงหน้าที่ของพระภิกษุสามเณรต่อญาติโยมท่านเพิ่มเป็นหกหน้าที่โยมต่อพระก็แค่ห้าข้อมีพระเนนเท่านั้นที่มีหน้าที่มากกว่าเขาคือหข้อฉะนั้นต้องระลึกไว้ให้ดี หน้าที่ของพระเนนเป็นกรณีพิเศษที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มากกว่าใครหมดมีหกข้อคือข้อที่หนึ่งห้ามปรามป้องกันจากความชั่วและความเสื่อมเสียหายสิ่งใดไม่ดีไม่งามพระเนนต้องขวนขวายแนะนำตักเตือนอย่าให้ญาติโยมทำถ้าญาติโยมทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไปช่วยเหลือให้พ้นออกมาไปแนะนำต่างๆไม่ให้เขาทา ข้อที่สองให้ตั้งอยู่ในความดีคอยแนะนำและชักนำให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์อันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญถ้าเขาเหินห่างธรรมะก็ต้องชักนำเข้ามาหน้าที่สองข้อแรกของพระสงฆ์ต่อประชาชนนี้รง ก, กันกับหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกพ่อแม่ก็มีหน้าที่อย่างเดียวกับพระสงฆ์ในสองข้อแรกนี้ ข้อที่สอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามด้วยความปรารถนาดีมีเมตตากรุณาปรารถนาความสุขความเจริญงอกงามแก่เขาอนุเคราะห์คือนึกถึงญาติโยมด้วยใจเมตตากรุณาเช่นนึกถึงญาติโยมว่าทำอะไรเขาจะได้มีความเจริญงอกงามในธรรมะทำอย่างไรเขาจะได้มีความเจริญงอกงามในธรรมะได้รู้ธรรมะ ได้เข้าใจธรรมะดีขึ้นไม่ใช่คิดถึงญาติโยมว่าเอพรุ่งนี้เราจะไปเอาสตางค์จากญาติโยมอย่างไรดีเดี๋ยวนี้บางทีจะกลายเป็นอย่างนั้นพระเนนนึกถึงญาติโยมในแง่ที่จะไปหาสตางค์จากญาติโยมอย่างไรดีถ้าอย่างนี้ก็เห็นจะไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแน่ที่ท่านบอกว่าให้อนุเคราะห์ด้วยน้าใจงามนั้นหมายความว่า เวลาเรานึกถึงญาติโยมต้องนึกในแง่ว่าทําอย่างไรจะให้ญาติโยมมีชีวิตมีความสุขมีความเจริญในธรรมะได้รู้ธรรมะเล่าเรียนธรรมะเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นท่านอธิบายกระทั่งว่าพระเนนอยากจะให้โยมรู้ธรรมะเพิ่มขึ้นก็พายโยมไปหาพระอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะได้สูงสูงขึ้นไปหรือว่ามีแหล่งความรู้ธรรมะที่ไหนก็เอามาแนะนํา เอามาบอกหรือเอามาให้โยมได้อ่านเพิ่มเติมขวนขวายในกุศ ล, ลกิจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอนุเคราะห์ด้วยน้าใจปรารถนาดีเมื่อนึกถึงญาติโยมก็นึกถึงด้วยเมตตาการุณาให้เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพุทธจริยาวัดในการนึกถึงญาติโยมอย่างไรจะเห็นได้ว่าพอจะรุ่งอรุณก่อนสว่าง พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพุทธกิจประการหนึ่งซึ่งเป็นข้อแรกสุดพุทธกิจในตอนรุ่งเช้านี้ก็คือพระองค์จะทรงอย่างตรวจดูด้วยพระญาณทรงพิจารณาว่าวันนี้จะไปโปรดใครบุคคลไหนมีอินทรีย์แก่กล้ามีอุปนิสัยพร้อมแล้วพระองค์ก็จะเสด็จไปโปรดพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงนึกคิดที่จะเอาอะไรจากใครพระองค์คิดแต่จะไปให้ พระองค์มีแต่จะไปโปรดไปช่วยเหลือเขาลองคิดดูสิในพุทธประวัติมีไหมพระพุทธเจ้าทรงคิดไปเอาอะไรจากใครไม่มีหรอกมีแต่เรื่องที่ว่าจะทรงไปทำอะไรให้ใครวันนี้จะไปช่วยใครคนไหนก็ตกทุกข์ได้ยากเช่นว่าวันนี้องคุลิมานถ้าหากเราไม่ไปช่วยจะฆ่าแม่ของตัวเป็นอนันตริยกรรมพระองค์ก็รีบเสด็จไปโปรด มีตระหนักอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้ําพระทัยมหากรณาของพระพุทธเจ้าจึงเป็นแบบอย่างที่พระสงฆ์จะต้องนึกตามว่าเราจะช่วยอนุเคราะห์ญาติโยมอย่างไรเรียกว่าอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจงามมีความปรารถนาดีข้อที่สให้ได้ฟังได้รู้สิ่งที่ยังไม่ได้รู้ได้ฟัง ธรรมะอะไรที่ญาติโยมยังไม่รู้ก็เอามาสอนความรู้อะไรที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ก็เอามาบอกมาเล่าข้อที่หสิ่งที่ได้ฟังได้รู้แล้วก็ทำให้เข้าใจแจม่มแจ้งเรื่องอะไรที่ญาติโยมยังได้เพียงหลักได้เพียงหัวข้อยังไม่พิสดารยังไม่ละเอียดลึกซึ้งพอยังไม่ชัดเจนพอ ก็พยายามขวนขวายหาทางสอนแนะนำอธิบายจนเข้าใจชัดเจนข้อที่6บอกทางสุขทางสวรรค์ให้ชีวิตที่ดีงามมีความสุขจะนำไปสู่สุขติภูมิเป็นอย่างไรก็บอกให้ใจะเห็นว่าหน้าที่ของพระหกประกานี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ทำด้วยเมตตากรุณา เน้นไปในเรื่องการสอนการให้ธรรมะแทบทั้งหมดพูดได้ว่าเป็นการขยายหลักธรรมทานออกเป็นข้อปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั่นเองท่านจึงว่าธรรมทานเป็นหน้าที่ของพระลองพิจารณาดูสิว่าพระสงค์ของเราเวลาเนี้ยทาหน้าที่กันถูกต้องไหมข้อปฏิบัติ6กอย่างนี้ คือหน้าที่ที่แท้ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้าพระสงฆ์ไม่ทำหน้าที่อย่างนี้ก็แสดงว่าเกิดความวิปริตพันแปรขึ้นในวงการพุทธบริษัทแล้วนี่เป็นหลักอันแน่นอนมั่นคงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ทั้งที่ได้ตรัสเตือนไว้ในพระสูตรให้มีความสัมพันธ์ต่อกันแบบธรรมทานและอามิสทานแล้วไม่พอยังมาตรัสขยายไว้ในทิศหกอีก ทิศหกนี้พระอาถกถาจารย์เรียกว่าขีหิวินัยลาวาวิในของข้ารือหัดสำหรับใช้เป็นหลักและเป็นแบบแผนแห่งการดําเนินชีวิตของข้ารือหัดซึ่งมาสัมพันธ์กับพระสงฆ์ด้วยจึงตรัสแสดงหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อข้ารือหัดไว้เพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยตรวจตราถ้าพระสงฆ์กับญาติโยมยังอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติหน้าที่ต่อกันอย่างถูกต้องตามหลักที่ว่ามานี้ก็จะรักษาระบบความสัมพันธ์แบบบุญกุศลไว้ได้พระพุทธศาสนาจะไม่มีทางเสื่อมมองใกล้ๆเหตุการณ์ร้ายต่างๆที่เราต้องมาเจอมาประสบมาได้ยินกันนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้น ตื่นตัวขึ้นมาจะได้ตั้งตนขึ้นใหม่ให้พระสงฆ์เป็นปัจจัยสร้างสรรพัฒนาคนและสังคมที่นี้เหตุปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราเดินทางมาสู่สภาพเช่นนี้เป็นอย่างไรมองในแง่หนึ่งก็คือการคลาดเคลื่อนจากหลักการของพระพุทธศาสนาแต่ทำไมเราจึงคลาดเคลื่อนไปก็เพราะไม่รู้ ไม่รู้แล้วก็เลยเชื่อผิดผิดทำไมจึงไม่รู้และเชื่อผิดผิดก็เพราะขาดการศึกษาเพราะฉะนั้นในที่สุดมันจะลงไปที่ตัวการศึกษาเราจรึงต้องเอาใจใส่เรื่องการศึกษาเพื่อจะให้ชาวพุทธมีความรู้การให้ชาวพุทธมีความรู้ก็ต้องเน้นที่พระสงฆ์ก่อนเพราะเป็นตัวแกนในการศึกษาพระธรร ม, มวินัย ให้รู้เข้าใจหลักพระศาสนาและจะได้ไปสั่งสอนประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเวลานี้ข่าวร้ายที่เกิด ต, ตามๆกันมานั้นเป็นข่าวดีที่เราควรจะช่วยโอกาสเอามาปลุกกันให้ตื่นขึ้นแล้วก็ถือโอกาสให้การศึกษาเวลานี้พระสงฆ์น่านจะช่วยให้การศึกษาแก่ประชาชนได้มาก เพื่อ น, นําเข้ามาสู่หลักการที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าที่เราเชื่อกันมานี้มันผิดจากพระพุทธศาสนาอย่างไรแยกอย่างไรระหว่างไสยศาสตร์กับพุทธศาสตร์เป็นต้นแม้แต่อย่างน้อยให้ได้อย่างพระในสมัยโบราณของเราที่ใช้ของขลังในแง่เป็นเครื่องประกอบในฐานะเป็นเครื่องปิดช่องความหวั่นใจ และเป็นสื่อทอสนสภาให้แก่ธรรมะได้แค่นี้ก็พอใจแล้วสังคมไทยจะไม่เสื่อมโทรมในการที่จะให้การศึกษานั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าการศึกษาคือการพัฒนาคนมาถึงปัจจุบันเราก็เน้นเรื่องนี้ประเทศของเรานี้ผู้บริหารประเทศก็บอกว่าพัฒนากันมาผิดพลาดนานแล้ว วางแผนพัฒนาประเทศก้นมาถึงแผน8ปตอนนี้ค่อยๆมีความรู้สึกตัวสำนึกขึ้นมาเรื่อยๆว่าที่ผ่านมานั้นไปเน้นแต่ทางวัตถุมากเกินไปขาดการพัฒนาคนโดยเฉพาะทางด้านจิตใจเวลานี้ก็จึงค่อยๆหันมาให้ความสนใจแก่การพัฒนาคนมากขึ้นจนกระทั่งถึงแผน8ปดนี้ก็มาเน้นการพัฒนาคนอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งทาให้นึกว่า ต้องระวังจะไปสุดโตงเดี๋ยวพัฒนาคนเอาแต่จิตใจอย่างเดียวก็อาจจะพลาดได้เหมือนกันทางพระพุทธศาสนาท่านสอนระบบแห่งสมดุลคือดุลยภาพให้มีความพอดีเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแต่มัชฌิมาปฏิปทานั้นเกิดจากปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเราจึงต้องสร้างปัญญาให้ถูกต้อง แต่รวมความตอนนี้ว่าสังคมเข้าสู่แนวทางที่มองเห็นความสำคัญของการที่จะพัฒนาคนด้วยการให้การศึกษาระคของเรานี้ก็เหมือนกับคนทั้งหลายอื่นในสังคมคนในสังคมนี้เป็นทั้งผลผลิตของสังคมและเป็นปัจจัยของสังคมเป็นผลผลิตของสังคมอย่างไรจะเห็นได้ว่าคนแต่ละคน จะเป็นอย่างไรนี้ปกติแล้วจะเป็นไปตามที่ถูกสังคมหล่อล้อมสภาพแวดล้อมเช่นวัฒนธรรมค่านิยมจะเป็นตัวหล่อล้อมชีวิตจิตใจของคนให้เป็นไปอย่างนั้นๆเพราะฉะนั้นแต่ละคนในสังคมนี้จึงเป็นผลผลิตของสังคมแล้วก็เลยเป็นดัชนีชี้สภาพสังคมแต่พร้อมกันนั้นแต่ละคนนี้ ก็จะเป็นปัใจจัยในการสร้างสรรหรือทำลายสังคมไปด้วยถ้าตัวเองเป็นคนไม่ดีก็จะเป็นปัใจจัยในทางร้ายทาลายสังคมแต่ถ้าตัวเองเป็นคนดีมีความสามารถมีสติปรรัญญาก็เป็นปัใจจัยในทางสร้างสรรสังคมสมาหรับพระสงฆ์นั้นเป็นสถาบันที่มีสถานะมีหน้าที่เป็นพิเศษซึ่งอยู่ในฝ่ายที่ควรจะต้องเป็นปัจจัยสร้างสรรสังคม หมายความว่าประสงค์โดยฐานะที่แท้แล้วจะต้องเป็นปัจจัยสร้างสั์สังคมถ้าประสงค์ไม่สามารถเป็นปัจจัยสร้างสั์สังคมได้ก็จะเป็นเพียงผลผลิตของสังคมถ้าเป็นเพียงผลผลิตของสังคมก็จะเป็นดัชนีชี้สภาพสังคมอย่างที่พูดมาเมื่อกี้เวลานี้เราลองถามตัวเองดูว่าประสงค์ของเราเนี่ย เป็นเพียงผลผลิตของสังคมหรือสามารถทำหน้าที่เป็นปัจจัยสร้างสารรค์สังคมได้เป็นได้แค่ไหนทำอย่างไรจึงจะเป็นปัจจัยสร้างสรรค์สังคมได้ก็ต้องมีการศึกษาโดยเฉพาะก็ต้องมีความรู้เข้าใจหลักธรรมวินัยที่จะมาสอนประชาชนได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องหันมาเน้นว่า เราจะต้องทำให้พระสงฆ์เป็นปัจจัยสร้างสรรค์สังคมซึ่งก็คือให้การศึกษานั่นเอง